ขึ้นข้อ3ปัญจะมีวิพัตในอัฏฐาตุโยคะธาตุก็แปลว่าธาตุโยคะก็แปลว่าประกอบธาตุโยคะในที่ประกอบด้วยธาต์หมายถึงว่าบังคับให้เป็นปัณจะมีวิพัตเนี่ยเพราะอัฏของธาต์มันให้มีใช้ธาต์แต่เป็นตัวดึงให้สับน้ำนะไปลงปัญจะมีวิพัต หมายถึงธาตุที่อยู่ในรูปปีญยาศัพท์เนี่ยนะจะบังคับให้นามเนี่ยเป็นเป็นปัญจะมีวิพัฒน์เข้ากับธาตุแปลเข้ากับธาตุแปลปัญจะมีวิพัฒน์เข้ากับธาตุนั่นเองลองมาดูตัวอย่างว่าแปลปัญจะมีเข้ากับธาตุยังไงแปลว่าแต่แปลว่าจากนะข้อหนึ่งติธิยากุโตปังราเชนติติถิยาพุทธัศสมาปังราเชนติ ติยาเป็นเอกอเป็นผู้โพธิปรธรมาปังราเชนติเป็นกริยาส่วนกุโตเป็นปัญจะมีวิพัตติทิยาแปลว่าเดรัทธีทั้งหลายเดรัถีทั้งหลา ย, ย, ห, ลายหมายถึงนักบวช น, นอกาศาสนาเดรัทธีทั้งหลายปังราเชนติย่อมแพ้ย่อมพ่ายแพ้ แพ้เฉยๆก็ได้ไพ่แพ้ก็ได้บางทีก็เป็นอัญญานะมีอัญญะอยู่ด้วยอัญญะเดียวทีอันนี้เดียวทีให้เฉยปังราเชนติย่อมไ พ, พ่แพ้กุโตจากใครแพ้ใครเดียถีแพ้ใครมาปังราเชนติเนี่ยนะมาจากปังราบทหน้าแล้วก็ชิธาติปังราบวกชิ บวกอันติชิชเยในในอัตวชนะชิตัวนี้ก็มาเป็นอย่างเช่นเขาว่าชิโนแปลว่าพระพุทธเจ้าพระชินเจ้าอะไรอย่างนี้ปังกราอยู่ข้างหน้าแปลกลับกันปังราเป็นอุปสรรคปะปังรานี้นี่อุทุสังังไงปะปังราตัวนี้ทําให้ธาตนั้นมีความหมายกลับข้างถ้าชนะก็แปลว่าแพ้กลับกันความหมายกลับกัน ส่วนชี้ธาตุแล้วก็มาเป็นเอบุตอีเป็นเอก็เป็นเชลงอันติวิพัตก็เป็นปังราเชนติย่อมแพ้ย่อมพ่ายแพ้เดียรถีทั้งหลายย่อมพ่ายแพ้จากใครคําตอบก็คือติถิยาพุทธสมาปังราเชนติติถิยาเดียรถีทั้งหลายปังราเชนติย่อมพ่ายแพ้พุทธสมาพุทธัสมาแปลวะ่า จากพระพุทธเจ้าเดียวทีทั้งหลายย่อมพ่ายแพ้จากพระพุทธเจ้าไม่แปลว่าพ่ายแพ้ซึ่งนะพ่ายแพ้จาก พ, าพุทธาก็ได้แต่พุทธาเดี๋ยวจะงงเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าพระพุทธเจ้าพ่ายแพ้เดียอถีอ <c oughs> มันไม่ชัดมันต้องบังคับให้อยู่ <c oughs> ใช่ ต่อไปข้อ2หิมวตาปะวันติปัญจมหานทิโยมหาณทิโยเป็นประธานมหาณทีาทีศัพท์เนี่ยเป็นอิทีลิงาทีาทิโยปัญจแปละว่าห้าปะวันติแปลว่าย่อมเริ่มต้นย่อมเริ่มจากย่อมเกิดนะย่อมเกิดเริ่มต้น หรือว่าตั้งต้นหิมะวะตาก็คือหิมะวันตัดสมานั่นเองหิมะวะตาเอาณนะตะกับสมาเป็นตาส่วนไวยกรบาลีใหญ่ก็บอกว่าให้อาเทนาเป็นอธิอสมาเป็นนาแล้วก็ณตะกับนาเป็นตาได้เหมือนกับนาวิพัฒนเลยมีรูปเป็นหิมะวะตาแปลว่าจาก ภูเขาหิมาลายมีแม่น้ำห้าสายใหญ่มีแม่น้ำใหญ่ห้าสายเริ่มต้นจากภูเขาหิมาลายภูเขาอะไรบ้างแม่น้ำที่ไหลมาจากเขาหิมาลายชื่ออะไรบ้างแม่น้ำใหญ่ ห, ญห้าสายฮะ อีลบาดีอ่าแม่น้ำคงคาต่อไปยามูนาอ่าอะไรอีกยามูนาแล้วคงคาแล้วเนรัญชลาเนรัญชลาไม่ใช่เนรัญชลาแม่น้ำสายเล็กๆวักคุมูทา วัคคุมมทาอืมวัคคุโานี่ชื่อเดียวกันใช่วัคคุมมทาอะไรนะขังขังคงคายะมูนาวัคคุมมทาไม่ใช่ในลันชลาก็ไม่ใช่นี่แม่น้าสายเล็กๆในลันชลาในลัชลามันชื่อนี่เฉพาะในในอุเวลาเสนานิคมท่านั้นเลยนันไปก็เรียกแม่น้าสายใหม่เรียกว่าแม่น้ำ ือว่าแม่น้ำขยาอะไรอีกแม่น้ำเดี๋ยวค่อยหาดูให้นะลืมชื่อไปแล้วมหาณทิโยแม่น้ำใหญ่ทั้งหลายปัญจะห้าสายห้าแม่น้ำปะพะวันติย่อมเริ่มต้น ย่อมเริ่มต้นหิมาวตาจากภูเขาหิมาลายถ้าพวันตินแปลว่าย่อมมีย่อมเป็นถ้ามีปะอยู่ข้างหน้าแปลว่าย่อมเกิดขึ้นย่อมเริ่มขึ้นนะย่อมเริ่มขึ้นย่อมย่อมมีในเบื้องต้นนั่นเองแปลว่าย่อมตั้งต้นอย่างนี้ก็ได้อย่างแม่น้ำเจ้าพยาเริ่มต้นจากที่ไหน โ oh, อ้ยังงี้ใช่ไหมแล้วแม่น้ําปิงเริ่มต้นจากที่ไหนแม่น้ําวังแม่น้ํายมแม่น้ำน่านเริ่มต้นจากที่ไหนเออแม่น้ำน่านนี่งพอจะรู้ได้มาจากจังหวัด น, น, น่านแม่ปิ ง, ป, งปิงมาจากแม่ห้องสอนนูมัง้งปิงอะ่ะส่วนวังนี่ไม่รู้มาจากไหนวัง สงสัยเชียงรายวังลําปางมันก็ไม่ใช่ต้นน้ำส่วนยมนี่มาจากไหนก็ไม่รู้แพ้สามเดียมคำไม่มีสามเดีย ม, ค ำ, ม, ม, ม, ยมคำแม่น้ำแม่สายอ <c oughs> <c oughs> เอาละต่อไปดูข้อสามยศสมาโสชายเตคินิ ยสมาโสชายะเตคีนิโสก็แปลว่านั้นคีนิแปลว่าไฟชายะเตย่อมเกิดยสมาฮะจากจากไม่ใช่เพราะอืมจากที่ใดอไฟย่อมเกิดจากที่ใดไฟเกิดจากที่ไหนเกิดจากเชื้อเพิง มันมีแต่เชื้อยังไม่มีเพิงท่านบอกว่าอะไรนะสิ่งเล็กๆยาประมาทมีอยู่สี่อย่างใช่ไหมของเล็กๆน้อยอยาประมาทมีอยู่สี่อย่างก้นบุห ร, รี่เอาก้อนบุหรี่เอาก้อนบุหรี่แล้วคนไม่สูบบุหรี่ทำไงาการทูบ ค, คนไม่ได้จุดทูบทำไงไม่ขีดห้ามจุดไม่ขีดให้ลิงดู พอเวลาคนไม่อยู่บ้านมันจะมามันจะมาล้อเหลียนมันจะแถบทําตามจุดแล้วก็กระโดดเราเต้นดีใจติดแล้ววิ่งขึ้นหลังคาบ้านจะมามีลิงเผาบ้านจุดไม้ขีดเจ้าของบ้านก็จุดไม่ขีดอย่างนี้แหละก่อไฟลงไปข้างล่างลิงมันคว้าไม่ขีดไปทําตามเลยแคทแอยู่เจ้าของบ้านรู้อยู่นะเฮ้ยมีเล่นยุดยุดจะเล่นอย่าเล่ น, ลนแล้วก็ทํำนู่นทํานี่เฉยนะ แปบเดียนมาลองแ้ยกอยู่หลังคาวิ่งมาดูไฟไหม้ซะแล้วหลังคามมงย่านไหม้เล็วไหม้หมดทั้งหลังเลยท้าบอกว่าไฟกองน้อยๆอย่าดูถูกว่ามันจะไม่อันตรายไฟเล็กๆในน้อ ย, อยฮะนี่อ๋อนี่นิดๆในน้อ ย, อย <laughs> ไม่มีอะไรเพราะว่าไตวิโดเลยนี่เนะ ไม่มีหนี้น้อยๆอย่าดูถูกมันก็เป็นไปได้นะบางทียืมมาร้อยหนึ่งสามปีไปใช้เ้าคิดสามหมืนนั่อะไรเงี้ยต้นเป็นดอกดอกเป็นต้นไปเลยนั่นมัผิดปกติธรรมชาติเอาตามปกติเลยสองงูพิษตัวน้อยๆอย่าดูถูกว่ามันจะไม่มีพิษให้มันกัดดูไม่ใช่สาม ราชกุมารพระราชาองค์น้อยน้อยอย่าดูถูกว่าเล่นหัวเล่นหางไม่มีอํานาจนะแล้วก็สี่ภิกษุองค์น้อยน้อยบวชใหม่ๆ อ, อ, อย่าไปล้อเลีนอย่าไปล้อเล่นอย่าไปกันแกล้งอย่าไปดูถูกนะแม้ภิกษุผู้บวชใหม่ก็มีอันตรายได้ให้ตกอบายได้สี่อย่างไฟไฟกอง น, น้อยน้อยไม่ขี่สมัยนู้นก็ไม่มี อ่าไฟฟองน้นอยเห็นไฟฟองน้อยเฮ้ยมันยังไม่มีอะไรหรอกแค่นั้นอะไรอย่างเนี้ย <c oughs> ไฟฟองน้นอยงูงูพิษตัวน้นอยราช ก, กุมาร <c oughs> องเล็กเล็กแล้วก็ภิกษุบวชใหม่สี่อย่างนี้ท่านบอกว่าอย่าดูถูกว่าไม่อันตราย <c oughs> อ่าเพศแตกต่างกันแล้วอย่าดูถูกอ๊ยองค์เนี้ว่าได้เลยว่าได้ท่านเพิ่งบวชใหม่ ไม่บาปมากหรอกอะไรต่อไปข้อสี่อะไรขีนี้ทำไมเหรออคีศัพ์เป็นลิงอะไรอ้าวอคีศัพ์เป็นลิงอะไราอาปุงลิงอคีศั์อ๋อเมื่อกีน้นาทีด้วยนะ นาทีเมื่อกี้ไม่ใช่ไม่ใช่อีริงนะนาทีสามเนี่ยเป็นเป็นปุงลิงเป็นปุงลิงนาทีนาทียนัดโชเป็นปุงลิงอาคิก็เป็นปุงลิงเนี่ยคีนี่เนี่ยมันคาเดียวกันอคิคีนี่แปลว่าไฟฮะโสแปลวันนั้น โสคินิโสีนิไฟนานชายะเตย่อมเกิดยะสมาจากที่ใดต่อไปข้อสี่อุ่งรัสมาชาโตปุตโตปุตโตบุตรชาโตผู้เกิดแล้วอุ่งรัสมาจากอกบุตรผู้เกิดจากอก บุตรเกิดจากอกในท่านก็เรียกว่าอโอรสโอรสคำว่าโอรสก็แปลว่าบุตรเกิดจากอกถ้าบุตรเกิดจากอกของพระราชาก็พระราชโอรสครําว่าบุตรที่เกิดจากอกนี่หมายความว่าผู้ให้บังเกิดเกล้ารักมากกอดแนบอกไว้ตลอดถ้าบุตรแบบไม่บุตรชื่อบุตรเฉยๆไม่ใช่ชื่อโอรสนะ เกิดมาแล้วก็ปล่อยตามยถ า, ากรรมก็ชื่อว่าบุตรเหมือนกันแต่ครับบุตรไหนชื่อว่าโอรสหมายถึงว่าเป็นบุตรที่พ่อแม่รักมากกอดแนบอกไว้ตลอดเหมือนลิงอะ่ะเห็นไหมลิงรักตัวไหนเอาตัวนั้นไว้ที่ไหนนะเอาไว้เอาไว้ที่หน้าอกรักตัวไหนกอดไว้หน้าอกฮะรักชังไว้หน้าเหรออ๋อรักมากไว้หลังรักชัรักเอารักไว้หลังชังไว้หน้าเหรอ บุตรผู้เกิดแล้วจากอกปุถโตบุตรชาโตผู้เกิดแล้วอุรัสมาจากอกไม่ต้องทำอะไรขอห้าอสุองรา สักกะเทวังราชโตปังราชเชนติปังราชเชนติเหมือนเดิมแหละอสุงราแปลว่าอสูนปังราชเชนติย่อมพ่ายแพ้สักกะเทวังราชโตจากเท้าสักกะเทวังราชทําไมต้องมีเท้าด้วย ไม่เท้าเนี่ยพระอืน่นเออเทวดาอื่นก็ไม่เรียกเท้านะเอามีเท้าสองเท้าหนึ่งเท้าส ก, กัดสองเท้ามหาพรหมดูนะอาสูงราอาสูนทั้งหลายนะทำไมอาสูนทั้งหลายจึงแพ้พระราไอแพ้เท้าส ก, กะเทวราชเรื่องข้อว่าเราไวไ้วไงโยนออกไป ม า, าก่อนอืทําไงตอนพระอินไปอุบัติบนสวรรค์พระอินองคนี้นะสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยนะพระอินมีหลายองค์นะก็เหมือนกับว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยมีพร ะ, ะอินองคหนึ่งพระอินอง์นี้หมดอายุไขพระอินองใหม่ก็มาแทนที่เหมือนพระอาน์นอ์อย่างเนี้ยก็เคยเป็นพระอินมาก่อน พระอินทร์พอทําความดีไว้มากไปอุบัติขึ้นบนสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งในวิมานของเท้าสักการเทวราชทีพวกพับเกิดขึ้นมานั้นนะ่ะเป็นเขตของพวกอสูรทั้งหลายครอบครองอยู่ก็เหมือนกับว่าในเขตประเทศสยามเนี้ยมีเมืองใดเมืองหนึ่งเกิดขึ้นมายกตนเป็นเอกราชไม่ขึ้นกับการปกครองอะไรเนี้ยก็นี่ก็เหมือนกัน วิมานเท้าสก่าเทวราขุดขึ้นมาพวกอสูรทั้งหลายอ้าววิมานใครมาเกิดขึ้นในดินแดนของพวกเราพอไปดูโอ้เทวดามาใหม่รัศมีเป็ป่งปังยิ่งกว่าด้วยมีอนุภาพยิ่งกว่าวิมานขยายออกขยายออกท่วมทับวิมานของอสูรทั้งหลายทำให้อสูรทั้งหลายเนี่ยไม่พอใจโกรธก็เลยจะขับไล่ออกจากพื้นที่ยกกองทัพไปขับไล่ศัตรูผู้บุกรุก ท้าส ก, กะเทวราชก็อา้าวนี่เราทาบุญเกิดปุ๊บขึ้นมาเองล้วไม่ได้มาแย่งนี่นะก็ต่อสู้ป้องกันขอบเขตขอบขันพรศีมาไวสไสาสา้สู้ไปสู้มาสู้มาสู้ไปหลายปีไม่เคยรู้แพ้รู้ชนะเลยลบกันแล้วลบกันอีกไม่แพ้ไม่ชนะกันสันกทีมาวันหนึ่งท้าว <c oughs> ส ก, กะเทวราชโดยได้นางสุธรรมาสุจิตตาสุมนา ช่วยวางแผนออกแนวคิดว่าจะทำไงจะปราบอสูรได้ก็เลยใช้อุบายตกลงได้อุบายมาอย่างหนึ่งก็คือมอมสุรามอมสุราเลี้ยงเล่าเลยพอยกทับมาโอ้ยไม่ต้องลบแล้วมาเลยเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงสุราเลี้ยงน้าจันดาเลี้ยงน้าจันดาคาว่าน้ำจันเคยได้ยินไหมสวยน้ำจัน จันเขียนจอจนันอนอนเณรแล้วก็ทอนางบนโทจันดะแปลว่าดุร้ายจันดะใครดื่มเข้าไปแล้วทําให้เป็นคนดุร้ายโหเที่ยมจันดะน้ําจันนี่เป็นน้ําที่กล้าแข็งดื่มลงไปในจะกรีลําคอลงไปเลยเคยดื่มไหมโยอมะยอะโยมกิติพนเคยดื่มน้ําจันไหมดื่ม ตอนดื่มมันมันบาดคอไหมเป็นเหมือนกันแล้วดื่มอะไรถ้ามาเคยดื่มเพราะสมัยก่อนเนี่ยเคยต้มเหล้าเถื่อนขาย ไม่ถ้าต้มแล้วเนี่ยไม่ดื่มไม่ได้จริงๆแล้วดื่มเราไม่เป็นแต่ว่ามันต้องชิมไงต้องชิมชิมแล้วหัวทิ่มอยู่คนเดียวปล่อยหม้อทิ้งเยมคิดดูว่าน้ําหัวเขาเรียกน้ําหัวเนี่ยนะพอต้มใหม่ๆน้ําหัวที่มันไหลรดินออกมาเนี่ยนะเทใส่ไฟปุ๊มโอ้โหยังเราระเบิดนะ <S <S ทดลองดูนะโอ้โทอมีแรงขนาดนี้ผู้ใหญ่เขาพาลองทําดูไงน้ําหัวออกมา เอาแก้วไปลองนิดหนึ่งเทเข้ากองไฟปุ๊บโอ้โหเร็วกว่าแอลกอฮอล์อีกนะมันแรงแล้วก็ลองจิบดูจิบแปดลิ้นนี่โอ้โหมันกัดเหมือนเหมือนดื่มน้ํากรดเลยมันกัดเพราะมันกัดแล้วก็ยังฝือนอีกนะยังอุตสากลือนอีกนะแทนที่จะบ้วนทิ้งก็ไม่บ้วนนะกลืนโอ้โเหมือนเหมือนกับเหมือนกรืนทุดเรียนทั้งลูกเลยมันแน่นติดแล้วก็ค่อยๆลงนะ กรีดอู้มันจนขนลุกขนพองไปทั้งตัวนะกรีดแล้วค่อยๆลงอ่ะเื้อนลงไปกระโดดกระโดดขยาหยามันลงไม่ใช่ชิมนี่แหละจิ๊บเดียวเนี่ยใช่ไม่ช้อนหรอกใส่แก้วเล็กๆก็จิบไม่ผสมเลยน้ำหัวมันไงน้ำหัว จิ๊บเดียวเนี่ยหัวทิมเลยวันนั้นไม่ได้เล่าสักขวดปล่อยให้มันร้นทิ้งอยู่นั่นแหละหัวทิมไปแล้วคนชิมหัวทิมตื่นตื่นมานู่นนะต่ะตั้งแต่แปดโมงเชา้าตื่นมาสี่โมงเย็นนู่นนะสลบสไลด์เลยทำไมตอนนั้นอายุสักสิบสามสิบสี่มั้ง สมัยนะั้นขวดละหกบาทต้มเหลา้าขายขวดละหกบาท <c oughs> ไม่ได้ทําเองนะผู้ใหญ่เขาทาแล้วให้ธรมาไปเฝ้าเพราะผู้ใหญ่เขาจะต้องไปทํางานหนักอย่างอื่นใช่ไหมเอ้าเฮ้ยไม่ไปไหนมาเฝ้าให้หน่อย <c oughs> เขาก็บอกวิธีเขาบอกวิธี <c oughs> เขาก็ชิมให้ดูนั่นแหละเขาต้มทิ้งเอาไว้แล้วเขาก็ชิมอะอ่ ะ, อะได้แล้วมันมันก็เล่งน้ําก็ไหลโจ๊ดๆออกมา <c oughs> ที่เราเฝ้าเนี่ยก็คือเฝ้าให้ไฟ ส่งฟืนเข้าไฟแล้วก็ต้องเปลี่ยนน้ําถ้าน้ําน้ําเลี้ยงที่จะเอาไอมาเนี่ยมันมันอุ่นมันร้อนขึ้นมาแล้วก็เตะเททิ้งตักน้ําเย็นมาใส่ใช่ไหมเพื่อจะได้น้ํากลั่นเน่ยต้องเปลี่ยนน้ําถ้าน้ําข้างบนไอออกแล้วก็ตักทิ้งแล้วก็เทน้ําใหม่ใส่ทำอย่างนี้เรื่อยไปต้องชิมชิมจนมันจืดถ้าได้หนึ่งขวดแล้วก็แยกไว้แยกไว้ขวดหนึ่งสองสาสี่ห้าเรียงไปตามลําดับ แล้วก็ชิมว่ามันจืดแล้วก็พอยกเลิกไม่ต้มต่อจืดแล้วก็หยุดใช่แล้วที น, นี้คนที่เขาเป็นเนี่ยเขาจะารู้วิธีว่าเอาขวดหนึ่งมาผสมกับขวดเท่าไหร่ได้กี่ดีกรี mm hmm. นะเขาจะเอาความเข้มข้นราคามันจะไม่เท่ากันอย่างขวดถ้าเอาขวดจะสมว่าได้ได้สิขวดเนี่ยนะขวดหนึ่งกับขวดสุดท้ายมาผสมกันเนี่ยก็จะได้เท่ากับขวดตรงกลางดีกรีของมันเน่ยนะผสมผสมผสมผสมก็ต้องเราก็ต้องชิมทุก ข, ขวด พอมาเต็มขวดแล้วขวดต่อไปิมจืดหรือยังจืดหรือยังไปเรื่องใช่ก็จะจืดจะจืดจริงๆเลยจืดจนไม่มีรถเทเข้าไฟก็ไม่ไหมไอ้น้ำมันล้วนเลยดื่มเพื่ออะไรเลยดื่มมาให้มันเมาบ้างอ๋อเขาไปผสมเลย เอาที่เข้มที่สุดกับจืดที่สุดนำมาผสมแล้วมันก็จะได้ออกมากี่ลิตรที่เขากาหนดคือมันไม่มีเครื่องวัดอะ่ะไม่มีเครื่องวัดก็ใช้ชิ ม, มเอาชิ ม, มเอาอ่ะต่อไปจะไปใส่ใจเลย <c oughs> <c oughs> ดังนั้นพอให้อสูรทั้งหลายเนี่ยดื่มเหล้าจนเมาและบาลีถ้าบอกว่าเทวดาทั้งหลายเนี่ยจับขาพวกอสูรเนี่ยโยนออกนอกวิมาน มันเหมือนกับคงจะรอยอยู่บืองก้อนเมฆอะไรนะจับโยนออกจากก้อนแม่ฆมันเลือกมันเลือกอะไรนะ ม, น ม, นมันเลือกเม็ดข้าวเปลือกหรือข้าวสารเนี <c> ่ย <oughs> จับโยนจับโยนทีจับโยนไปโย น, ไ ป, โยนไปเนี่ยอสูรทั้งหลายเนี่ยหัวทิพมลงไปในมหาสมุทรแล้วไปเกิดวิมานแห่งใหม่นะเกิดวิมานแห่งใหม่ขึ้นมาไม่ได้หมดฤทธิ์หมดเดชกําลังเมาขึ้นมาสวรรค์ไม่ไหว ดังนั้นพอไปอยู่วิมานนั้นก็พากันร้องกรรวนคลางโอดโอยด้วยความเสียท่าสั่งสอนกันต่อไปห้ามดื่มเหล้าอีกต่อไปทุกคนต้องไม่ดื่มเหล้าดังนั้นก็เลยได้ชื่อว่าอะสุราไม่ดื่มสุราอีกอะสุราเมื่อก่อนถ้าสุราในแปลว่าเทวดาไงอะสุราในแปลว่าผู้ไม่ใช่เทวดาไม่ใช่เทวดา ทำไมบางคนมาเรียกเขาว่าสุราแต่ ว, ว่ากล้าก็กล้านั่นแหละครับสุราทําให้กล้าดื่มสุราเข้าไปแล้วกล้าแต่คงไม่มีมั้งไม่กล้ามาเรียนดื่มเหล้าแล้วค่อยกล้ามาเนี่ยต่อไปข้อหกทิวเสทิวเสสิสโสอาจังติยมมหาเอกาปาทางสิ ป, ปังอุ ค, คันเหยะ หาดูซิประธานอยู่ไหนกริยาอยู่ไหนตัวไหนคือประธานที่ว่าเสแปลว่าในวันในวันแปลโวหารว่าทุกๆุกวันฮะคำไหนเป็นประธานดูที่กริยากิริยาเอกจพเขาต้องหาประธาเอกภพโสไหนโส สิทธิ์โสใช่ไหมไม่ทราบสิทธิ์โสสิทธ์ทั้งหลายหรือสิทธิ์คนเดียวดูสิสิทธิ์โสอ่ะอ่าสิทธิ์เอกพจน์นะสิทธิ์เอกพจน์สิทธิ์โสสิทธิ์ลูกสิทธ์อุกขันเหยะควรเรียนเอาควรเรียนเอา สิปังซึ่งศิลปะซึ่งวิชาซึ่งความรู้เอกปาทังหนึ่งส่วนเอกแปลว่า1ปาทะแปลว่าส่วนเอกปาทางัง1ส่วนหรือ1บาทก็ได้นะเอกปาทังหนึ่งส่วนอาจารริยมมหาจากอาจารย์ทิวเสทิวเส ท, ทุกทุกวัน ทุกๆวันหรือทุกวันทุกวันก็ได้หรือว่าในวันในวันก็ได้ก็คือในทุกๆวันเองถ้าบทเดียวก็คือในวันก็คือวันเดียวคือคําว่าบทเดียวคาว่าในวันนี่หมายถึงเรียนทั้งวันวันเดียวแต่นี้ว่าเรียนหลายๆวันทุกวันทุกวันก็ใส่ที่วัสดที่วัสดุเป็นยมกศิษย์ควรเรียนเอาศิลปะหนึ่งส่วน จากอาจารย์ทุกๆุกวันก็คือมาเอาวัละส่วนวัละส่วนวันละส่วนความรู้ที่เราจะได้เต็มมีอยู่สี่ส่วนจากที่ไหนบ้างนะเคยให้คาถาจากอาจารย์หนึ่งส่วนจากไหนอีกจากเพื่อนนักเรียนด้วยกันไม่ใช่เพื่อนทํางานนะคําว่าเพื่อนเพื่อนจากเพื่อนเพื่อนโอ้ยมาเรียนไม่มีเพื่อนพอไปทํางานเพื่อนเพียบอะไรจากเพื่อนนักเรียนด้วยกัน หส่วนจากนั้นอีกจากปัญญาของตนจากปัญญาของตนอีกหนึ่งส่วนจากนั้นอีกฮะฮะจากธรรมร า, ราอีกหนึ่งส่วนเอาธรรากับอาจารย์คนละอันเหรออือ <c oughs> จากการเวลา <c oughs> จากการเวลาอีกหนึ่งส่วนจำคาถาได้ไหม อยู่ในวยากรนังไงท้ายๆเล่มนังไง <c oughs> อาจังริยาปาธมาทเตปาทางสิทโศสชาน า, นาปาทางสัพ ร, รมจางกรีหิปาทางการักกเมนะจะยังไม่ต้องจดอยู่ในท้ายวิทยกรไงมีอยู่แล้วท่านบอกว่าสิทธควรถือเอาความรู้จากอาจารย์หนึ่งส่วน อาจรารย์ปาธรมาทเตน่ะแล้วก็จากเพื่อนนักเรียนด้วยกันอีกหนึ่งส่วนแล้วก็จากปัญญาของตนอีกหนึ่งส่วนและจากการเวลาที่ล่วงไปอีกหนึ่งส่วนตอนนี้อาจารย์ได้เต็มส่วนไหมจากอาจารย์ได้เต็มส่วนไหมส่วนหนึ่งอ่ะจากเพื่อนๆได้เต็มส่วนไหมส่วนที่สองอ่ะไม่ได้เลย ได้บ้างเล็กน้อยเช่นวันไหนไม่มาเรียนก็ยืมเพื่อนจดจดไม่ทันให้เพื่อนบอกเพื่อนบอกก็ไม่ทันก็เพื่อนจดมาให้บางคนบางคนบางคนเพื่อนก็ดีดีทันไม่ทันไม่รู้แต่ขยันจดขยันเขียนมาให้เขียนมาให้แล้วก็แล้วใส่กระเป๋าแต่วันนู้นจนถึงวันนี้แหละไม่เคยดูเลย ก็ไม่ได้จากเพื่อนนักเรียนก็ไม่ได้จากปัญญาของตนทุกคนก็มีปัญญาพอเรียนรู้ได้อยู่แล้วก็ได้จากการเวลาที่ล่วงไปบางทีเราเร่งรัดอยากให้รู้ภายในวันหนึ่งสองวันพอมาเรียนวันแรกมาขอคม พ, พีนู้นขอคมพีนี้อ้จะเอาหมดทุกคำพีเลยจะให้เรียนจบภายในวัน2วันเนี่ยก็ไม่ได้มันต้องใช้การเวลาล่วงไปพอสมควรแก่เนื้อหาแต่บางคนก็ใช้เวลานา น, านเกินไปจะเรียบวยากรเบื้องต้นจบ ใช้เวลาทั้งปีสองปีบางคนสี่ปียังไม่จบเลยมาเรียนเดือนหนึ่งหายไปก่อนเปิดรอบหน้ามาใหม่อีกเดือนหนึ่งไปเรื่อยสี่รอบแล้ว ย, ยังไม่จบก็ใช้เวลาไม่สมดุลกับเนื้อหายอยีกเหมือนกันได้จากอาจารย์หนึ่งส่วนเท่านั้นนะอีกสามส่วนต้องพยายามหาเพิ่มเติมต่อไปข้อเจ็ด เจ้าพญามหาณทีปิงณทิยาวังณทิยายมณทิยาน้านณทิยาจาติจะตัหิณทีหิปะพาวติอืเจ้าพญามหาณทีแม่น้ําใหญ่ใหญ่ชื่อว่าเจ้าพญาแม่น้ําใหญ่ชื่อว่าเจ้าพญาปะพาวติย่อมตั้งต้นย่อมเริ่มต้นณทีหิจากแม่น้ําทั้งหลาย จตูหิสี่สายอิติคือจาติก็จะอิติเห็นไหมอยู่ข้างหน้าจตูหินั่นแนหะชาติแยกสนธิมาเป็นจัตอิติอิติปแปลว่าคือจ ะ, ปะแปลว่าและคือปิงนัธิยาแม่น้ําปิงวังนทิยาจากแม่น้ําวังยมนทิยาจากแม่น้ํายมน่านนาทิยาจะและจากแม่น้นําน่าน แม่น้ำเจ้าพยาแม่น้ําใหญ่เจ้าพยาเริ่มต้นมาจากแม่น้ําทั้งหลายสี่สายคือจากแม่น้ําปิงจากแม่น้ําวังจากแม่น้ํายมและจากแม่น้ําน่าน ม, มีประยุกเอาบาลีประยุกต์ชื่อต้องให้ตรงไปเลยไม่ต้องไปแผงเป็นบาลีนะปิงเอ้คำว่าปิงบาลีครับ ใช้คําว่าอะไรนะไปหาคำว่าปิง ไ, ม, ไม่รู้คําว่าปิงเป็นอะไรบาลีไม่รู้จะแปลเป็นภาษาบาลีว่ายังไงปิงปีงะอย่างนี้เหลยมันก็ไม่ได้ก็ต้องทับศัพท์ให้มันเสียงได้เดิมว่าปิงแล้วก็เติมภาษาบาลีวันนาทีเข้าไปลงวิพัทได้อืม จ่และไงจ่าและไม่ทันใช่ไหมฟังใหม่ข้อนี้ยเจ้าพญามหานทีแม่น้ําใหญ่ชื่อว่าเจ้าพญาหรือแม่น้ําใหญ่เจ้าพญาปะพวติย่อมเริ่มต้นณทิยาจากแม่น้ําทั้งหลายอ่ะณทีหิขออภัยไม่ใช่ น, นัทยาณทีหิ จากแม่น้ำทั้งหลายจะตูหิสี่สายอิติคือปิงนทิยาจากแม่น้ำปิงวังนทิยาจากแม่น้ำวังยมนทิยาจากแม่น้ำยมน่านนทิยาจากแม่น้ำน่านอ่าน่นานนทิยาจะนะและจากแม่น้ำน่านมีจะแปลว่าและด้วย จารติเมื่อกี้ไงไ อ, อิติแปลว่าคือจะแปลว่าและแยกให้แล้วเมื่อกี้จารติตัดสนธิมาเป็นจะกับอิติ <c oughs> ข้อ8ปดวลาหกาวิโชตเตวิชุวิชุแปลว่าสายฟ้าแลบสายฟ้าแลบ วิชโตะเตย่อมสว่างย่อมเจิดจ้าย่อมสว่างย่อมแลบนั่นเองนะสายฟ้าย่อมแลบแป๊บแป๊บวลาหากาจากก้อนเมฆฟ้าแลบออกจากก้อนเมฆวลาหกเนี่ยไปว่าก้อนเมฆม้าวลาห ก, ากม้ามีสีหมอกเรียกม้าสีหมอก สีหมอกสีเมฆ <c oughs> สายฟ้าแลบออกจากก้อนเมฆนะวิชชาเตมาจากวิบทหนา้าชุตตะธาในอาจว่าชุติยังหรือชุตะชิตติมหิก็ได้แปลว่าสว่างแปลว่ารุ่งเรืองแปลว่าโชคช่วงแปลว่าเจิดจ้าแปลว่าสว่างสวยัยแล้วก็เตวัตามานาวิพัฒนี่แหละสอนชะ ก็เลยเป็นวิชุตะเตแล้วก็วุฒิอูเป็นโอจึงเป็นวิโชตะเตแยกให้ง่ายว่าวิบวกชุตะบวกเตแค่ชุตะแล้วมันเป็นโชตะแล้วก็เดาได้แล้วว่ามันคือวุฒิอูเป็นโอวิธีเดิมๆนั่นแหละวิบวกชุตะบวกเตสายฟ้าแลบออกจากก้อนเมฆ สายฟ้าแลบจริงๆเป็นอย่างนั้นไหมมันแลบออกจากก้อนเมฆหรือแลบไปหาก้อนเมฆ<ล>ตาถาตเทวะตะเทวะมันเดินนั่นแหละตเทวะอืมตเทวะแต่ถ้าจะใช้คำว่ามันตรงนะตรงกับคำว่าเหมือนเดิมก็าใช่ไหมปูพัดสมังปูพั ก, ก็แปกว่าก่อน หรือ่าเดิมสมั่งไปว่าเหมือนพุพพัสมั่งเหมือนเดิมเหมือนก่อนตาเทวะเขาแปลเหมือนกันเหมือนกันอตาเทวะเหมือนกันตาเทวะเขาแปลว่าเหมือนอย่างนั้นเหมือนอย่างนั้นนั่นเทียวเขาแปลว่าเหมือนเดิมนั่นแหละตะเทวะตะเทวะ คำว่าเหมือนเดิมก็หมายคำว่าเราเวียนเมื่อสองเดือนที่แล้วไม่เข้าใจอย่างไรวันนี้ก็ไม่เข้าใจอย่างนั้นแหละแต่เถวะ่าต่อไปดูคาถาขอ้อเก้ากามโตชายติโสโกมันเหมือนเมื่อกี้เลยนะเปลี่ยนตัณหายาเป็นกามโตเท่านั้นเองนะ กามโตชายาติโสโกกามโตชายาติพยังกามโต ว, วิปมุตตสัณฑิโสโกกุโตพยังเอาเลยเอายกให้เลยยกให้เลยใครจะแปลยกให้เลยอ่ะว่าพร้อมกันเลยกามโตแปลว่าจากกามเอาแปลโสโก ความเศร้าโศกชาญติย่อมเกิดกามโตจากามพยังภัยชาญติย่อมเกิดกามโตจากามโศโกความเศร้าโศกวิปปมุตตัสระของผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วกามโตจากามนัตถิย่อมไม่มี พยังภาไทยอาทิจะมีกุโตจากไหนเห ม, มือนเดิมยัยไม่ต้องจดแก้เพียงกรรมกรรมโตเป็นจากกรรมคำที่เหลือเหมือนคถาก่อนบอกแค่เนี้เมื่อกี้ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยี่มาใช่ไหมอ่าเขียนหน้าห้าสิบสี่ดูนะเชิงอัดข้างล่าง ที่มาของคาถานี้ยมเขียนในเล่มนั้นก่อนยมยมยมเขียนเลขหน้าเขียนเลขหน้าหน้าห้าสิบสี่เขียนเลขหน้าใส่ว่าห้าสิบสี่ในพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบห้าคุธตะกนิกายธรรมบทเล่มยี่สิบห้าข้อสองร้อยสิบห้าหน้าห้าสิบสี่ฮะ ไม่ใช่คนละคนคนละเรื่องอันนั้นพรามชาวนาแต่อันนี้ลูกเศรษฐีคนละคนเล่าเลยนะ ไม่คิดว่าจะมาจะลืมนิทานมั่งเลยพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันกรุงสาวัตถีมีบุรุษผู้หนึ่งจุติจากพรหมโลกลงมาเกิดเป็นบุตรเศรษฐีในกรุงสาวัตถีเพราะตัวเองมาจากพรหมโลกจึงเป็นผู้สุขุมารชาติเป็นผู้เบื่อหน่ายในสตรีอย่าว่าแต่เห็นเลยแม้ได้กลิ่นก็ไม่ชอบ ไม่ชอบผู้หญิงโดยประการทั้งปวงเห็นผู้หญิงไม่ชอบได้กลิ่นผู้หญิงไม่ชอบได้ยินเสียงผู้หญิงหนีเลยไม่ชอบฮะใช่อ้าวบางทีผู้หญิงเดินผ่านก็ได้กลิ่นน้ำหอมโชยมาดังนั้นเพราะเขาเป็นอย่างนี้แหละพ่อแม่จึงตั้งชื่อให้ว่าอะนิธิคันทะกุมาร สงสัยมาเอ๊ะเ้วเขาเกิดมาจากไหนนะแล้วพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงมาหรือไงใช่ไหมก็ผู้หญิงอะบาลีท่านว่าไว้อย่างนี้ว่าตั้งแต่กุมานี้เกิดเนี่ยแม่ต่อแตะเนื้อต้องตัวไม่ได้เลยร้องอย่างเดียวเลยแม่เข้าใกล้ไม่ได้แม่แตะต้องไม่ได้จะว่าแต่หญิงอื่นขนาดแม่ยังแตะต้องไม่ได้ฮะ ดังนั้นเวลาแม่อยากจะอุ้มทารกนี้ก็เอาผ้าห่อหนาๆก่อนแล้วค่อยอุ้มได้โดนเนื้อต้องตัวโดยตรงไม่ได้ร้องอย่างเดียวเพราะว่าเกิดมาจากพ ม, มาโลกคงปรารถนาไม่อยากจะเจอผู้หญิงมั้งอย่างเนี้ยมาบวช ด, ดี ใช่ได้กลิ่นก็ไม่ได้ไม่ชอบคือไม่ชอบเลยบาลีเ้าบอกว่าไม่ชอบผู้หญิงไม่ว่าด้วยอาการแบบไหนก็ตามพอโตเป็นหนุ่มพ่อแม่ก็เป็นห่วงอนาคตรบเร้าว่าน่าจะมีครอบครัวได้แล้วตอนนี้ก็หนุ่มใหญ่แล้วพ่อก็เครียดกร่อมบอกว่าลูกมองหาสาวใดไว้หรือยังหรือว่าจะให้พ่อแม่ช่วยหาให้มีตระกูลใ่าเคียงกัน ฐานะเท่าเทียมกันมีหลายตระกูลลูกสาวก็สวยลูกปฏิเสธอย่างเดียวไม่ว่าไม่ว่าจะพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเรยปฏิเสธอย่างเดียวไม่ได้จนพ่อแม่ลบเร้ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็เอมีความเป็นห่วงความรู้สึกของพ่อแม่อยู่เหมือนกันว่าถ้าเราปฏิเสธไปตลอดเราปฏิเสธที่ไรเห็นสีหน้าท่านมีความทุกข์มากจะทำอย่างไรนะจะให้ความหวังอย่างไรได้ เพาตัวเองมีฐานะดีนี่เองก็เลยคิดว่าเอาอย่างนี้แล้วกันไปตามช่างทองมาห้างร้อยคนเลือกคัดเลือกหาช่างผู้มีฝีมือมาสอบคัดเลือกปั้นหุ่นผู้หญิงปั้นให้สวยที่สุดเลยเอาทองคําทั้งนั้นเลยหลอมทองแล้วก็ปั้นคัดว่าผู้หญิงฝีมือคนไหนจะสวยที่สุดเมื่อช่างทั้งห้าร้อยปั้น หุ่นทองคําขึ้นมาครบหมดห้าร้อยหุ่นแล้วเนี่ยกุมารนี้อา น, นิทธิคันธกุามารก็ไปเดินสำรวจแล้วก็เลือกมาหนึ่งถูกใจมากสวยที่สุดแล้วก็ให้รางวัลช่างไปชนะการประกวดแล้วก็เอาหุ่นนั้นมาเข้าไปหาพ่อแม่บอกว่าถ้าหาผู้หญิงได้รูปร่างหน้าตาผิวพรรณเหมือนอย่างเนี้ยจะแต่งงาน เอาผิวพันธ์อย่างนี้เลยนะไม่ใช่หน้าตาอย่างเดียวสวดทรงอย่างเดียวนะผิวพองผิวทองผุดพองอย่างนี้แหละจะยอมแต่งงานเท่านั้นแหละพ่อแม่ได้ยินหน้าชื่นตาบานขึ้นมาเลยนะมีหวังแล้วมีหวังแล้วอย่าง น, น้อยก็ได้การตอบขานรับใช่ไหมพ่อแม่ก็เลยให้ตามหาพรามมาแล้วก็มอบหุ่นทองคานี้ให้ให้เงินคนละหนึ่งพัน แปคนพามแปคนให้เงินคนละห0งพ0 0เป็นค่าเดินทางค่าใช้ใจ่ายในระหว่างเดินทางบอกว่าพวกท่านรู้ลักษณะของผู้หญิงดีพวกนี้เป็นพวกดูดดดดลักษณะทำนายลักษณะอะไรต่ออะไรหลายอย่างนำหุ่นนี้ไปเที่ยวหาผู้หญิงที่มีรูปร่างหน้าตาอย่างนี้มาเราจะแต่งให้เป็นสะพายพามรับหุน่นได้รางวัลแล้วก็ยกใส ใส่วอห้ามเดินออกนอกเมืองไปเรื่อยในเมืองเดินไปทุกหมู่บ้านแล้วยังไม่มีใครหน้าตาเหมือ น, นเลยเดินออกชนบทไปไปถึงตำบลตำบลหนึ่งพรานพรามเหล่านั้นก็เหนื่อยหมดแรงก็เลยไปนั่งพักที่สาราริมทางวางหุ่นเอาไว้ข้างสารายืนอยู่ในวออย่างนั้นแหละตั้ ง, งที่ตำบล น, นั้น มีเศรษฐีในตำบลถือว่าตำแหน่งเป็นอนุเศรษฐีฐ <c oughs> านะไม่เทียบ <c oughs> เท่ากับเศรษฐีเป็นอนุเศรษฐี <c oughs> มีทิดาคนหนึ่งสูงไวมากยังไม่รู้ว่าสวยเท่าไหร่ <c oughs> มีแม่เลี้ยงแม่นมเขาเรียกว่าแม่นมมีพี่เลี้ยงเป็นแม่นมอยู่คนหนึ่งสามารถที่จะสั่งบังคับสอนเหมือนแม่เลยเป็นที่ไว้วางใจว่านอนสอนอะไรก็ ลูกสาวเศรษฐีเชื่อฟังหมดวันนั้นหลังจากให้ลูกสาวเศรษฐีอาบน้ําอาบท่าปะแป้งแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วก็คิดว่าเอาล่ะเราให้ลูกอาบน้ําแต่งตัวแล้วเราจะไปอาบน้ําบ้างก็เดินลงจากปราสาทเจ็ดชั้นเพื่อจะไปที่แม่น้ําจะไปอาบน้ําก็เดินผ่านที่สารานี้มาหันไปมองเห็นเขาแน่มเมื่อกี้ให้อยู่บนปราสาทแล้วมายืนอยู่ทําไมนี่ ดูสิมาเร็วด้วยพราหมณ์ทั้งหลายอยู่นั่งอยู่ในศาลาได้ยินเห็นเหตุการณ์นี้เขาตะลึงเลยอุยอุ้ยแสดงว่ามีคนสวยอย่างนี้จริงด้วยก็รีบเดินไปหาแม่นมบอกว่านี่เมื่อกี้ท่านว่าอย่างไรนะก็บอกว่าพวกท่านได้เกี่ยวค่าพูดกับลูกค่า ไหนล่ะลูกท่านน่ะเนี่ยยืนอยู่เนี่ยไหนเข้าไปดูดีๆสิไปดูอา้าวไม่ใช่แล้วนี่อะไรเนี่ย <c oughs> ไปจับจับดูแข็งแข็งนั้นเลยแล้วมีอะไร <c oughs> บอกว่านี่ไม่ใช่คนมีหุ่นเลอะนี่ ห, หุ่นเลอะขอขอขออภัยค่าเน่ว่าเป็นหุ่นเนื่ว่าเป็นลูกสาวของข้าพกครามได้ยินอย่างนี้ขเขาเลยถามว่าลูกสาวท่านสวยอย่างนี้หรือบอกว่าไม่ใช่ถ้า นำลูกสาวข้าพระเจ้ามานะหุ่นเนี้ยจะมีประโยชน์อะไรถ้านำลูกสาวมาอยู่ใกล้หุ่นเนี้ยจะมีประโยชน์อะไรพอพระครามหลายดีโอ้โหแสดงก็สวยกว่านี้แน่เลยเนี่ยก็เลยไหนไหนบาหลีเขาบอกว่าขอท่านจงแสดงที่ดาของท่านให้เราดู ถ้าภาษาไทยว่าขอดูหน่อยได้ไหมใช่ไห ม, ไหมแต่บาลีไม่ใช่ก็เหมือนขอตังหน่อยได้ไหมไม่ใช่ราะขอท่านจงให้ตังอันนี้เหมือนการขอท่านจงแสดงทิดาของท่านเท่านั้นแหละพอมีคนสนใจอยากจะเห็นทิดาแม่นมรีบพาพรามทั้งแปดคนไปหาเศรษฐีไปเล่าให้ฟังท่านเศรษฐีได้ยินอย่างนั้นเรียกลูกสาวลงมาจากปราสาทชั้นที่เจ็ดแล้วก็ให้เป็นนั่ง เคียงหุ่นนั้นบาลีถ้าบอกว่าหุ่นนั้นมองไปถนัดตาห<อ>ุ <laughs> ่นทองคำวาวเนี่ยนะพอลูกสาวมานั่งข้างๆหุ่นนั้นเศร้ามองไปเลยเหมือนทองคำเป็นสนิม <laughs> <laughs> <laughs> ไม่รู้จอสวยขนาดไหน เหมือนทองคำเป็นสนิมเลยก็คือคนสวยผิวพรรณเปล่งปังนะมีรัศมีฉายออกมากรบอะไรไปหมดน่นนะเพราะอะไรจริงๆก็คงไม่สวยขนาดอะไรจนพนาไม่ได้น่ะนะแต่บังเอิญว่ากิาการของคนมีชีวิตเนี่ยมันน่าสนใจกว่าหุ่นแข็งๆใช่ไมอาจจะไม่สวยเท่าแต่ว่าการการเคลื่อนย้ายยาบทกิจยาท่าทางลีลาอะไรต่างๆเนี่ยมันดึงดูดความสนใจกว่านั้นะพอพวกพรามทั้งแปดคนเห็นเขา ไม่น่าเป็นไปได้ไม่น่าเป็นไปได้มีอยู่จริงก็เลยตกลงว่าเศรษฐีของข้าพเจ้ า, จ า, าเจ้านายข้าพเจ้ามองนู้นมึงนู้ น, น, นให้นำหุ่นนี้มาตามหาหญิงคนไหนที่มีรูปร่างสวยเหมือนหุ่นนี้จะมาสู่ขอเป็นสะพายแล้วยกหุ่นทองคำนี้แหละให้เป็นข้ามัดจำก็เรียกว่าข้าอะไรนะข้าค้ามัน่นข้าหมายมั่นไว้ก่อนสินสอดทองมัน่นสินสอดทองหุ่นมัน่น <c oughs> เอาอันนี้ปัญหาไม่ได้ก็ใช้วิธีเนี่ยผู้ชายไปตามหาผู้หญิงแต่ทุกวันนี้ผู้หญิงตามหาผู้ชายทีนี้พอได้แล้วพราหมณ์ทั้งแปดก็ยกหุ่นนั้นให้อนุเสถีแล้วก็ลากลับรีบไปรายงานเสฐี เศรษฐีได้ยินโอ้เป็นไปได้จริงๆหรือมีจริงๆหรือนี่รีบเรียกลูกชายมาเล่าให้ฟังว่าลูกเจอแล้วเจอแล้วพรามนักแปดคนพนันนาลักษณะกิยาท่าทางความสวยความงามให้อนิธิคันทะกุมานฟังเท่านั้นเจอเกิดจิตปฏิพั์ขึ้นยากจะเห็นขึ้นมาจับใจก็บอกว่าพวกท่านรีบไปนาตัวมาเร็วๆเข้า เจอบุเพสนิวาสเศษฐีรีบแต่งเครื่องทุกอย่างเพื่อไปสู่ขอเนี่ยนำรถนำอะไรแห่เป็นขบวนไปต้อนรับแล้วก็เชิญลูกสาวนุเศรษฐีขึ้นวอหามเดินทางข้ามป่าข้ามดงข้ามทุ่งข้ามลำห้วยสารพัดเพราะเส้นทางมันมันไม่มีทางรถอย่างทุกวันเนี่ย จะสัญจรไปมาหาสูร่ระหว่างนิคมกับนิคมนี่ช่างลำบากยากเข็นในขณะที่หามเดินมนะันลูกสาวนุเศษฐีตั้งแต่เกิดมาไม่เคยโดนแม้แต่แสงแดบดบในขณะที่นั่งมาบนวอเหมือนก็หามเหมือนก็หามหนาคแห่ที่จังหวัดชัยภูมิเคยเห็นไหมเคยเห็นเขาออกทีวีไหม <c oughs> ที่เอานาไปบวชจับขยา่า <c oughs> <c oughs> ใครเกาะอยู่ได้ถึงจะได้บวชใครหลนตุบมาบาดเจ็บก็ไม่ให้บวชหมชัยภูมิใช่ขึ้นวอขึ้นขึ้นขึ้นเสรียงหามเนี่ยนะแต่แค่แค่เล็กๆนะหามหามสี่คนแล้วเขย่าไม่ใช่เขย่าแกล้งจะทำให้ตกเลยนะ หน้านี้ต้องเกาะแน่นหรอรัดอ๋อไอขยวบางคนจุกเป็นลมก่อนถือว่าไม่มีบุญบวชเขาเรียกว่าไม่พ้นบ่วงมารไปได้ไม่ได้บวชบางคนตกมาแขนหักขาหักไม่ได้บวชงั้นใครรอดไปอ่ะได้บวชนี่ขนาดแห่เข้าวัดนะนี่คือขบวนแห่นะก็พวกทีวีเข้าไปถ่ายมา กคื อ, คอคืออะไรมาเนี้ยนะแต่ว่าแปลงรับลูกสาวเศรษฐีเนะี่ยแม้แต่ค่อยๆเดินก็เหมือนมันเป็นอย่างเนี้ยพราะเป็นหญิงสุคุมารชาตไงละเอียดอ่อนบอบกบางโดนอะไรนิดอะไรหน่อยก็จะช็อคจะเป็นลมแค่ <c oughs> แม่นมมานั่งตัดเล็บแมก็อ้อยอ้อยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> จะไปทำอะไรได้ <c oughs> นี่หามข้ามวันข้ามคืนน่จากตำบลหนึ่งมาอีกตำบลหนึ่งน่มาถึงระหว่างทางเกิดลมตีขึ้นทำให้ลูกสาวเศรษฐีคนนี้สิ้นใจตายระหว่างทางสิ้นใจตายระหว่างทางพวกขบวนแห่ทั้งหลายเห็นเหตุการณ์เข้าก็พากันเศร้าโศกเสียใจ แล้วกลัวความผิดด้วยจะทำยังไงทีนี้จะแก้ไขยังไงจะเชิญผู้หญิงอื่นขึ้นมาก็มันก็ไม่ได้ไม่มีใครจะใกล้เคียงกันเลยก็เลยนำศพของธิดาอนุเสถีไปเดินทางไปจนถึงแล้วก็ไปเล่าเรื่องให้เสถียรฟังว่าเป็นอย่างนี้ซะแล้วเสถียกลัวลูกชายจะเศร้าโศกเสียใจเก็บเป็นความลับเอาไว้ สองวันสามวันผ่านไปลูกลูกชายก็มันมาถามถึงว่ามาหรือยังพ่อมาถึงหรือยังมาถึงหรือยังท่าทางเศร้าโศกเสียใจตั้งแต่บอกให้ไปรับจนถึงวันที่สามเนี่ยไม่กินข้าวกินน้ำเลยลูกชายรอว่าเจอผู้หญิงคนนี้ถึงจะกินข้าว <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้ดีหรือราย <c oughs> พ่อก็ไม่รู้จะทํำยังไงได้ทั้นจะเล่าให้ฟังก็กลัวจะเศร้าโศกเสียใจทั้นจะไม่เล่าก็จะรออยู่อย่างเนี้ยไม่ยอมกินข้าวกินปลาใช่ไหมเอ๊จะทํำยังไงดีนะจะแก้ไขอย่างไรก็เลยบอกว่าความจริงก็คือความจริงก็ต้องรู้อยู่วันใดวันหนึ่งจนได้แหละเล่าซะเลยวันเนี้ยก็เลยเรียกลูกมาพูดอย่างปลอบเอาใจว่าลูกเจ้าอย่าคิดอะไรเลย คนเกิดมาในโลกนี้ทุกคนก็ย่อมจะตายเป็นธรรมดาหญิงสาวที่พ่อขอมาให้เจ้าเนะ่ตายระหว่างทางแล้วเท่านั้นแหละไม่ถามอะไรอีกแล้วพราะตายที่ไหนตายเมื่ อ, อไหร่ตายยังไงไม่ถามเลยสะบัดก้นลุกขึ้นวิ่งเข้าห้องนอนคุม้มโปงนอนคุมโปองอย่างเดียวรอหายใจแ ล, ล้วรัวรอตายตามอย่างเดียววันนั้น พระพุทธเจ้าออกจาริกบิณฑบาตก่อนออกบิณฑบาตเห็นอนิธคันทักุมารเด็กหนุ่มพวก น, นี้ปรากฏในข่ายยานเอาละเราจะไปโปรดเขาสักหน่อยเดินบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านเศรษฐีเศรษฐีกับภรรยารีบนำสำรับกับข้าวมาถวายอาหารบิณฑบาตพระพุทธเจ้าถามถึงว่าอนิธคันทักุมารไปไหนสละวันเนี่ยเศรษฐีก็กราบทูลว่า เขาเสียใจนอนแล้ทมทุกอยู่บนเตียงนอนหลายวันมาแล้วข้าวน้ำไม่ยอมกินพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าไหนไปเรียกมาพบสิท่านเศรษฐีได้ยินว่าพุทธเจ้าต้องการพบก็รีบขึ้นไปพูดให้ลูกชายฟังว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาอยากจะคุยกับเธอไปพบพระองค์สักหน่อยหนึ่งเขาก็ลุกขึ้น นิ้วปลานิ้วปาดน้ำตาเช็ดหน้าเช็ดตาซะหน่อยทำหน้ายิ้มออกมาพบพระพุทธเจ้า พ, พุทธเจ้าถามว่าอานิสติเธอสบายดีหรือเขากอทูลว่าไม่สบายเลยพระพุทธเจ้าค่ะเธอเป็นอะไรไม่สบายข้าพระองค์กำลังเศร้าโศกอยู่ เธอรู้ไหมว่าเหตุอะไรทําให้เธอเศร้าโศกรู้พระพุทธเจ้าคะ่ะเหตุอะไรหรือผู้หญิงที่ข่าพระองค์ต้องการเสียชีวิตเสียแล้วพระวิทธเจ้าตรัสว่าอ น, นิธินั่นไม่ใช่เหตุเลยเมื่อวานนี้ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งตายเธอทําไมไม่เศร้าโศกวันก่อนนู้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งตายเธอทําไมไม่เศร้าโศก เมื่อปีที่แล้วก็มีผู้หญิงอีกหลายคนตายเธอทําไมไม่เศร้าโศกดังนั้นคนนู้นตายคนนี้ตายไม่ใช่เหตุเลยเท่านั้นแล้วเขาก็เริ่มสนใจว่าถ้าอย่างนั้นไม่ใช่เหตุอะไรคือเหตุพระเจ้าคะ่ะพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสคาถาเนี้ยกามโตชายตีโสโกเนี้ยกามความใคร่ความรักใคร่เป็นเหตุแห่งความเศร้าโศก ความเศร้าโศกย่อมเกิดจากกามภัยที่กําลังคุกคามอยู่ในจิตใจทําให้ร้อนรุ่มทนทุกข์เศร้าโศกอยู่เนี่ยก็เกิดจากกามส่วนความเศร้าโศกของบุคคลผู้มีจิตหลุดพ้นจากกามแล้วเนี่ยจะไม่มีพระเจ้าชี้โทษและแนะนําประโยชน์นะในคาถาเดียวกันชี้โทษว่าความเศร้าโศกเกิดจากกามภัยเกิดจากกามแล้วก็แนะนําทางให้ว่า ความเศร้าโศกของผู้มีจิตหลุดพ้นจากกรามแล้วจะไม่มีใครมีจิตหลุดพ้นจากกรามแล้วจะไม่มีความเศร้าโศกอีกภัยก็จะไม่มีด้วยพอฟังเท่านี้แหละระงับความเศร้าโศกทั้งหลายลงได้จิตพิจารณาตามกระแสธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงบรรลุโสดาบันใครผิดหวังมาบอก จะพูดคาถานี้ให้ฟังจะบรรลุหรือเปล่าไม่รู้คาถานี้เลยได้อย่างนี้จบแล้วสรุปแล้วอนิธิคันท้กุมารบรรลุพระโสดาบันแล้วได้ขอบวชไม่ได้แต่งแล้วขอบวชในศาสนาเอาทีนี้เรามาแปล แปลตั้งแต่ข้อหนึ่งมาเลยเตติยากุโตปังราเชนติเดียรัตถีทั้งหลายย่อมพ่ายแพ้จากใครเตติยาพุทธสมาปังราเชนติเดียรัตถีทั้งหลายย่อมพ่ายแพ้จากพระพุทธเจ้าหิมะวะตาปะพะวันติปัญจมหาณทิโย แม่น้ำใหญ่ห้าสายย่อมตั้งต้นจากภูเขาฮิมาลัยัยสมาโสชายโตคิอชายเตคิ น, นิไฟนั้นย่อมเกิดจากที่ใดอุงรัสมาชายโตปุตโต อาสน์ทั้งหลายย่อมพ่ายแพ้จากเท้าสากาศเทวงราชที่วเศรษฐิวเศรสิรสทธิ์โสอาจารย์ริยมมหาเอกปาทางสิบปังอุคันเหยะเศษควรเรียนเอาศิละปะหนึ่งส่วนจากอาจารย์ทุกทุกวันเจ้าพญามหานาที ปิงณทิยาวังณทิยายมณทิยานั่นณทิยาจาติจะตูหิณทีหิปะพวติแม่น้ำใหญ่เจ้าพระยาเริ่มต้นจากแม่น้ำสี่สายคือแม่น้ำปิงแม่วาง แม่น้ำยมและแม่น้ำน่านวลาหากาวิโชตเตวิชุสายฟ้าแลบออกจากก้อนเมฆ ก, กามโตชายตีโสโกกามมโตชายตีพยังกามมโตวิปะมุตตสระนัตถิโสโกกุโตพยัง ความเศร้าโศกเกิดจากกรรมภัเกิดจากกรรมความเศร้าโศกของผู้มีจิตหลุดพ้นจากกรรมย่อมไม่มีภัจะมีจากไหนไสงสัยถาม